เอาตอนนี้ไปอยู่ในความสงบศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนครูบาอาจารย์เดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ปลารบอะไรให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพอนานทีปีหนพวกเราได้มาพบมาเจอกันปีทีแล้วก็มีครั้งหนึ่งอำเภอนามโสมนายูง แต่หลวงพ่อเองก็ได้พูดกับทางเจ้าคณะอําเภอหลวงพ่อฉลีหลวงพ่อสดที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้พูดกับหลวงพ่อภูนาหลาวแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าอําเภอน้ำโสมนายงควรจะมีนะเ อ, อมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละสองครั้งก็จะดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าเพราะพระในกลุ่มของเราก็ไม่ใช่น้อยก็มากอยู่พระทั้งสองร้อยกว่ารูป และการล้วนแล้วจะเป็นสมพานอยู่ในป่าดงพงไพยบางทีก็อยู่องค์สององค์บงังถ้าว่าพวกเราทาความเข้าใจไถ่าถามกันเรื่องสารถุกสุกดิบว่ามีอะไรขัดข้องมีอะไรไม่ที่จะได้ช่วยเหลือเจือจานกันถ้าว่ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงที่จะต้องได้ช่วยเหลือพวกเราก็จะได้มองเห็นกันได้ง่าย ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าว่าต่างคนต่างอยูอ่ถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกว่าจะหากันได้เสมือนกับขาดความอบอุ่นอาขาดความอบอุ่นขาดความใส่ใจของฝ่ายปกครองครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าน่าจะมีการประชุมกันหารือกันหรือว่านัดลงอุโบสถอ สเดือนหรือสามเดือนต่อครั้งหนึ่งปิดตายตัวไปเลยอย่างนั้นก็จะดีเหมือนกันนะหลวงพ่อวานเะ่ยอันนี้เขาฝากไว้นะแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าจะมาประชุมที่วัดหลวงพ่อไม่ใช่พอหลวงพ่อไม่ใช่ฝ่ายปกครองหลวงพ่อเป็นเพียงเจ้าอาวาสเท่านั้นเองอันนี้คือเน่ยเพียงแต่ว่าหลวงพ่อมีอายุพรรษามากกว่าแล้วก็คือให้คําแนะนำํำสรุปแล้วก็คือเป็นที่ปรึกษา ให้แก่พวกท่านทั้งหลายช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงพวกเราที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะจะได้ความร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องอาศัยความพร้อมเพียงสมัคคีไปมาหาสู่กันมองกันใครขาดเหลือขาดตกอะไรถ้ามีความจำเป็นนะทใไมจำเป็นมีแต่จะสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองอันนั้นก็เราก็ต้องได้คิดช่วยกันคิดเหมาะสมไหม ขาดเหลือขาดตกปลอกพ่องจริงไหมสมควรที่จะช่วยเหลือกันจริงไหมสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลหนุนกันแต่ถ้าว่าเกินความจําเป็นไปอยู่เพียงองค์เดียวก็สร้างใหญ่โตเกินความจําเป็นอันนั้นก็พอเออถ้าท่านมีบุญวาสนาบารมีท่านก็สร้างไปเทอะนะแต่ถ้าว่าจะให้หมู่พกเพื่อน ไปช่วยเหลือนั้นคิดคิ ด, คดฝานแล้วมันเกินความจำเป็นสำหรับท่าน น, นี่อันนี้ก็มันก็จะได้ช่วยกันคิดในลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ทว่าต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างออกผลที่สุดก็ทำให้ไม่สบายทางผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาด้วยอย่างนี้พอมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ทาให้หมู่กลุ่มของเรากระเทือนเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ขาดการเป็นเอกฉันผมว่านะขาดการเป็นเอกฉันถ้าว่ามีเอกฉันแล้วพวกเราก็คงจะเข้าไปช่วยกันดูว่ามันเป็นยังไงทำไมมันจึงเป็นอย่าง น, านั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะเพียงแต่เสนอเพราะว่านานทีปีหนพวกเราได้มาพบมาเจอกันถึงจะนัดกันพวกเราก็คงจะมาไม่มากเท่านี้ผมว่านะอันนี้ประวัตมาก ที่สุดในปีหนึ่งหนึ่งฮะเพราะนั้นผมจึงว่าพูดในขณะที่มันมากนี่แหละให้จะยินทั่วถึงกันแล้วก็ปีนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดวันเข้าพรรษาก็คือวันที่แปดกรกฎาคมสอง แต่วันนี้เป็นวันที่22กรกดา52เป็นวันอุโบสถแรกที่เข้าพรรษามาก็ทำอุโบสถทางอำเภอนามโสมอา่าก็ได้ทำอุโบสถที่วัดป่าภูนาหลาววันนี้ก็เพิ่งเสร็จออกม า, าแต่ทราบข่าวว่าทั้งสองอำเภอของพวกเรา ทั้งอำเภอนาโสมอำเภอนายูงอำเภอน้มโสมมีพระจำพรรษาร้อเจรปูปปี2552สเนี่ยสัมมนเนน8ดรปูปแต่อําเภอนายูงพระจำพรรษาปี2552ั้งเนี่ยพระ131รอสมสเรูปนสมมนเนหรูปอ่แต่อําเภอนายูงพระมาก3 3มน้อาสมโสมรเจ อแต่นายูงนี่แพ้น้ำโสมสมานเณรสมาเณรน้ำโสมมีแปดสมาเณรนายุงมีห้าไว้กันเถะนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็พระทั้งสองอำเภอก็สองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบกว่าทั้งสมานเณรทั้งพระด้วยก็มากพอสมควรแล้วก็วันนี้ทั้งสองอำเภอก็คงจะไม่มาทั้งหมดหรอก เ็ได้มาคารวะครูบาอาจารย์ในถิ่นฐานเขตของเราคืออำเภอนามสมอำเภอนายุงในขณะนี้ก็ได้มาทำวัดคารวะหลวงพ่ อ, อวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้อันดับแรกก็ได้กล่าวานะโมจากนั้นก็นว่าเทเรประมาเทนะทวาและแตเยนะขะตังอันนี้ก็คือเป็นภาษาบาลี คณะครูบาพื่บวชใหม่หลือคณะสัทธา ญ, ญาติโยมที่บวชใหม่ที่เข้ามาใหม่ความหมายและความแปลนั่นคืออะไรก็คือว่าพวกข้าพเจ้าวพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประม า, าทพลาดพลั้งคือ จ, จัดจัดเป็นพระเถระผู้ใหญ่อย่างลงตามหาบัวหลือ ห, อหอลวงปู่ธรรมวัดโพนเราก็จะกล่าวว่ามหาเถเรประมาเดนะเปลว่าเป็นมหาเถระ อย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์ยกจองว่าเป็นเถเระ ป, ประมาเทนะหรือว่าเป็นเถระที่มีอายุพรรษาเกินยี่สิบแต่หลวงพ่อปีนี้ก็สี่สิบสี่พรรษาแล้วนะทัยจวบเถระหลวงพ่อเ็ไม่ขัดข้องคือจะไม่จว่าอาจารย์เยหลวงพ่อเขายอมรับได้โดยการทั้งนั้นแหละนี่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนว่าเถเรประมาเทนะ หลวงพ่อเป็นเถระผมได้ประมาท่านาพาททระเถระด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้านและรับหลังอขอท่านอาโอโหสิให้แกพวกกระผมด้วยพวกข้าพเจ้าด้วย อ, อันนี้ก็คือความแปลและความหมายหลวงพ่อที่เป็นเจ้าที่พวกท่านคารวะหลวงพ่อก็ะยินดีนะ ยินดีให้อโหสิเพราะว่าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร น, นั้นถึงจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรก็เท่านั้นมันได้อะไรมันไม่เห็นได้อะไรมีแต่ยินดีให้อโหสิซึ่งกันและกันและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองเมื่อได้รับขันคารวะจากพวกท่านแล้วหลวงพ่อก็นึกในใจอีกเหมือนกันท้าหลวงพ่อได้ประมาทพลาดพังพวกท่านทั้งหลาย ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ขอให้พวกท่านเอาหัวสีให้หลวงพ่ อ, <ม> เ, อ, อเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งบางคราวการประมาทพลาดพัง้งมันเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละบางทีก็เข้าใจผิดก็มีบางทีก็ไม่ตรงประเด็นก็มีบางทีก็เข้าใจถูกจริงอยู่แต่มันเกินไปก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละ วพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเอโหสีให้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ยินดีให้อโหสีแก่พวกท่านทั้งหลายด้วยและก็พร้อมกันขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจมุ่งมั่นต่อหลักพระธรรมวินัยสําหรับพระสงฆ์สัมมเอ็นแต่คณะศรัทธาญาติโยมพวกคณะศรัทธาญาติโยมก็ขอให้มุ่งมั่นในศีลในธรรมเป็นผู้มี คุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีให้เป็นผู้มุ่งมั่นเชื่อมั่นยึดมั่นในพระไตราสารณคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาให้สมหวังดังปรารถนา ทุกๆ ท, ท่านผอยพระสงฆ์ก็ขอให้มุ่งมั่นภาวนาให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดไม่ให้มาเวียว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกนะอันนี้คือ ค, อความมุ่งมั่นเรื่องความหวังเรื่องความให้พรของหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้พร อ, อย่างสูงสุดสำหรับพระก็ให้ดวงตาเห็นธรรมให้บรรลุมรรคผลสำหรับฆราวาสจาตโยมก็ ให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาะอยู่ในกรอบของศีลธรรมนะแต่ถ้าว่ากรอบไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วไม่ให้สำเร็จนะ่ะทำไมจึงว่าอย่างกรอบคือ <c ười> ออกนอกลูก่นอกทางปรารถนาะออกนอกลูก่นอกทางไม่ให้สำเร็จนะแต่ถ้าว่าปรารถนาะอยู่ในกรอบในศีลในธรรมเลยให้สาเร็จนะอันนี้ก็คือการประทานพรหรือว่าการให้พรในใจของหลวงพ่อนะ สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านทุกๆชีวิตทุกๆดวงใจที่มาร่วมในวันนี้หรือไม่ได้มาก็ตามหลวงพ่อปราถนาอยากจะให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าไม่ใช่แต่พุทธบริษัทเท่านั้นสัพพสัต ท, ทั่วไตรโล ก, กธาตุไตรแปลว่าสามโล ก, กธาตุขอให มีความสุขความเจริญทั่วนหน้ากันอันนี้ก็คือความในใจของหลวงพอ่อและก็วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งพุทธบริษัทสภิกษุสัมมนเนอุบาสุอุบาสิกาได้มารวมกันณนะสาราแห่งนี้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นข้อสังเกตเป็นเครื่องประดิประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแปลมหรือรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟังแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็เพียงพอไม่ใช่ เราพร้อมที่จะเปิดกว้างพร้อมที่จะฟังได้ทุกแห่งหนถ้าเป็นศีลเป็นธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนพูดขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะรับฟังในครูบาอาจารย์นั้นๆเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านประพฤติปฏิบัติผ่านมาอย่างไรท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงมาอย่างไรท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรท่านได้ประสบประการในศีลสมาธิปัญญาชีวิตของท่าน ที่ผ่านมายาวไกลถึงขนาดนี้ท่านผ่านมาได้อย่างไรอย่างนี้ท่านก็จะได้นําแนวความคิดของท่านมาประกาศมาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเออบางคนก็อาจจะรางเนื้อชอบรางปลาบางองค์พอได้ยินหลวงพ่ออินพูดกนะ็เหมือนกับไม้ทิ่มหู อ, อย่างนี้ก็มีนะแต่บางคนพอได้ยินหลวงพ่ออินพูดโอ้ หลวงพ่ออินพูดเพราะหน้าฟังจริงๆฮอย่างนี้ก็มีพราอฉะนั้นหลวงพ่อเองเป็นผู้พูดจะให้ถูกใจกับทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้จะไม่ให้ถูกใจกับทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ชิ่นเดียวกันเพราะหลวงพ่อมีหน้าที่พูดมีหน้าที่แสดงมีหน้าที่แนะนำสั่งสอนหลวงพ่อก็พยายามพูดให้ดีที่สดุดให้เป็นศีลเป็นธรรมมากที่สดุดอ่อแล้วก็สิ่งไหนที่พวกเราควรจะรู้ หลวงพ่อที watering, ่รู้มาก่อนพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อก่อนจะแนะนำให้ดีที่สุดแต่บวกท่านทั้งหลายบางทีอาจจะรู้กว่าหลวงพ่อแล้วก็ได้แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ก่อนไปแล้วก็เอาแปลว่าพวกท่านรู้แล้วแต่บางคนน่อาจยังไม่รู้พอท่านหลวงพ่อกันจะได้บอกแนะนำให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าการฟังสุดตามยยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาการไข้ควรทบทวนเรื่องเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้นกันกรองไตรตองอีกทีหนึง่งมีเหตุมีผลไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมอย่างนี้อันนี้เรียกว่าจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วมากันกรองไตรตองด้วยเหตุผลอีกครั้งหนึง่งภาวนามายะปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เน่งทำจิตใจไม่ให้หิวโหวยด้วยอารมณ์ต่างๆทำจิตใจให้ตัดออกออว่างจากอารมณ์ภายนอกมีจิตใจให้สว่างหรือวานิ่งเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลว่าสิ่งนี้มันเป็นมาอย่างไง เกิดขึ้นมาได้อย่างไรการกองกิเลสในใจของเราราคะมันเกิดมาได้อย่างไรโทรสะตัวนี้ความพอใจเมื่อพอใจเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโมหะความลุ่มหลงบัวเมาทําไมเราจึงติดข้องในกิเลสราคะโทสะเนี่ยอย่างนี้ติดได้อย่างไรอันนี้แปลว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนานี่แหละเป็นว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาได้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 ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าขณะฟังจิตของผู้ฟังในเหตุในผลนั้นก็จะได้รับความผ่องใสคือจิตใจเออบีมจิตใจผ่องใสจิตใจรู้แจง้งเห็นจริงตามทำคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมานั้นนี่แหละอันนี้สงแห่งการฟังธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเป็นผู้ศึกษาเพราะพวกเราเป็นสาวกเป็นผู้สดับ สยามภูอย่างพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจ้งโลกจัดสรุดโดยพระองค์เองแต่พวกเราท่านทั้งหลายนะว่าสาวกะแปลว่าผู้สดับผู้สดับรับฟังจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งอันนี้แหละคือสาวกะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการเกิดมาในโลกมีหลายระดับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า เป็นภิกษุสั ม, มนเนนอุบาสกอุบาสิกาต่างคนต่างอาชีพต่างคนต่างธรรมาค้าขายแต่ถึงยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราพวกเราเกิดมาด้วยกลำ่ำกล่ำคือการกระทำแต่พวกเราก่อนที่จะเกิดพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกับเราอยากจะไปอยู่จุดนั้นแต่มันไปอยู่ไม่ได้อย่างพวกเราอยากจะไปอยู่ตรงที่มันรวย มันไปอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะบา ร, รมีของเราไม่ถึง เ, เราก็ไปไม่ถึงไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันที่เราจะมาเกิดถ้าหากว่าเรามีบุญบา ร, รมีเก่าเราก็ไปเลือกเกิดที่ล่าที่รวยที่ยศฐานบรรดาศักด์สูงสูงแต่นี่เราไปไม่ได้มันเป็นรัว้วมันมีเครื่องกั้นกลางเพราะนั้นเราจะได้มาเกิดในสถานที่ตามที่คติของเราที่มาเกิดแต่บางครั้ง เราอาจจะมาเกิดด้วยคิดว่าเออเกิดชาตินี้เรามาเกิดเพื่อสร้างบา ร, รมีเรามาเกิดเพื่อบําเพ็ญกุศลถ้าเราไปเกิดในสถานที่สูงสูงไปเกิดอยู่ในอังกฤษอเมริกาอย่างนี้พวกเราคงเราข้าพเจ้าคงไม่ได้พบพระพุทธศาสนาคงจะไม่ได้บําเพ็ญศออีล ส, สมาธิปัญญาในหลักของพุทธศาสนาคงจะเป็นคนร่ํารวยขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอน เราไปเกิดในเมืองไทยนี้เถอะพวกเราจะได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างนี้อันนี้คืออะไรวเลือกมาเกิดได้เป็นผู้มีบุญออันนี้เป็นผู้มีบุญจะเลือกเกิดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นผู้ไม่มีบุญแล้วจะไปเลือกเกิดไม่ได้อันนี้แหละพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยมาถึงจุดนี้หลวงพ่อว่าถึงพวกเราจะมาเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาชาวรั่วชาวสวนทำมาค้าขาย วิชาอาชีพต่างๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีวิชาอาชีพต่างกันพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราได้เกิดมาแล้ว เ, เมื่อเกิดมาแล้วก็แสดงว่าพวกเรายินดีในการเกิดของตนเองแต่เราจะทํำยังไงเราจะทําให้ดีที่สุดในขณะที่มาเกิดมาแล้วนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่า เมื่อพวกท่านเกิดมาแล้วพวกท่านต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องที่เมื่อกี้เนีผมก็ได้พูดพวกพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติที่มาพักอยู่ที่นี่ผมก็ได้พูดตัวนี้ขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะเป็นหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราเกิดมาอยู่นสถานที่ใดก็ตามในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน ยก เ, เป็นเรื่องราวขึ้นมาในครั้งพุทธกาลนะในที่พระพุทธเจ้าปารกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คื อ, อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุง ร, ราชาคฤห์วัดปามเวลุวันแล้ววันนั้นพระพุทธองค์ได้ตรวจดูสรรพสัตว์ในโลกเอคือจวนจะสว่างพระพุทธองค์ได้เล่งยานดูสัตวโลก ท่านก็เห็นมานพคนหนึ่งที่บิดาสั่งก่อนตายนะคือบิดาส่งลูกชายไปเรียนที่เมืองตะกัศิลาจากนั้นพอจวนจบลูกชายก็กลับมาบิดาก็ป่วยหนักอพอบิดาเห็นลูกชายก็ได้สั่งเสียลูกชายว่าลูกเอ้ยอมานี่เดี๋ยวพ่อจะสั่งถ้าวาวานลูก อให้เป็นผู้ดูแลมรดกของพ่อนะเพราะว่าพ่อท่านพันเป็นเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากเอขอให้เจ้ากลับมาแล้วดูแลทรัพย์สมบัตินะลูกเอ้แต่ว่าเมื่อเจ้าดูแลทรัพย์สมบัตินั้นเจ้าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในทิศทั้งหกถ้าเจ้าปฏิบัติไม่นอบน้อมต่อทิศทั้งหกไม่คาระวะต่อทิศทั้งหกไม่ กราบไหว้ในทิศทั้งหกแล้วเจ้าจะหาความเจริญไม่ได้นะลูกนะขอให้เจ้านะ่ะนอบน้อมทิศทั้งหกเนยะจึงจะเจริญพอพูดเท่านั้นพ่อก็หยุดพูดคงจะเสื่ออึกมั้งเนีจากนั้นก็หยุดพูดจากนั้นพ่อก็เลยตายไปในเมื่อตายไปแล้ลูกชายนี่ยก็เสียอกเสียใจจะทํอยังไงได้พ่อตายแล้วที่นี่ก็จัดงานศพพ่อเรียบร้อย ก็พ่อสั่งเป็นวาจาสุดท้ายว่าเจ้าต้องนอบน้อมทิศทั้งหครวะทิศทั้งหกนะลูกนะจึงจะเจริญน อ, อันนี้คือได้ยินแว่วเยนหูจะตลอดเวลาข้าไปเจ้าต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดในคำสั่งของพระบิดาของข้าไปเจ้าจากนั้นพอจัดงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆมานบคนนั้นอพอตื่นเช้ามาเหมือนกับ วิ่ไปออกกําลังกายอย่างนั้นอ่ะพอออกไปชายทุ่งไปชายสนามในมุมสงบอพอถึงมุมสงบแล้วก็เ ย, ยินไหวทิศทั้งหไหวทิศตะวันออกแล้วก็ไหวทิศตะวันตกไหว้ทิศเหนือไหวทิศใต้ไหวทิศเบื้องสูงไหว้ทิศพื้นดินนะก็ครบหพอดีเพราะว่าความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยทิศทั้งหจะไปที่ไหนได้ใช่ไหม ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็เบื้องสูงบริเวต่ํามันก็หกพอดีนะอจากนั้นมานพคนนั้นเขาก็ไหว้ทิศทั้งหกทุกวี่ทุกวันไม่ได้ขาดเพราะเป็นคําสั่งของบิดาของเขาอันนี้คือคือพอไหว้เส ร, ร็จแล้วกลับมาทําการทํางานพระพุทธเจ้าท่านเห็นอุปนิสัยของมานพคนนี้เออมานพคนนี้เข้าใจผิดใช่แล้วทิศทั้งหกที่บิดาสั่งนะั้นไม่เป็นอย่างนี้มันคงเป็นอีกอย่างหนึ่งะ เราควรจะไปทําความเข้าใจกับเขาเพราะพระพุทธองค์ก็ได้เลงยานดูสัตวโลกอย่างที่ว่าจนจะสว่างเห็นมนุษย์คนนั้นเข้ามาในคายคือพยานของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ออกไปบินธบาติกับพระอา น, นุนพอไปถึงก็เห็นมนุษย์คนนั้น้ยกมือไหว้เหมือนกับไทยเก๊กไทยเก๊กออกกําลังกายอย่างนั้นหละ่างนั้นะเออแต่คนดูดูก็คงจะไม่รู้เอ แต่พระพุทธเจ้านี่ท่านรู้แล้วว่ามานพคนนี้เนี่ยเขาไหว้ทิศทั้งหกพระองค์ก็เดินผ่านไปใกล้ก็ถามว่ามานพเธอทำอะไรมานพคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าขาทาไมจึงไหว้เพราะว่าบิดาของข้าพระเจ้าสั่งเป็นวายาครั้งสุดท้ายเป็นวายาที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพระองค์จ้องนำมาปฏิบัต ไม่ให้ขาดเพราะว่าบิดาของข้าพระองค์ว่าให้นอบน้อมทิศทั้งหนะกเนะื้อหนกเนื้อให้ไหว้ทิศทั้งหกเลื้ลนหนกเนื้อให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทิศทั้งหกเนะื้อเจ้าจึงจะเจริญแต่ถ้าว่าเจ้าไม่เคารพทิศทั้งหกไม่นอบน้อมทิศทั้งหกเลวเจ้าจะหาความเจริญไม่ได้ในการครองชีพของเจ้าข้าพระองค์จึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็พระโตะง้งถามว่ามานพบเธอได้ถามบิดาของเจ้าหรือ ย, ยังว่าทิศทั้งหกนั้นคืออะไร ไม่ได้ถามพระเจ้าค่ะเพราะมีโอกาสน้อยมากเพราะบิดาสั่งแล้วก็ท่านก็ออปิดวาจาจากนั้นก็ท่านก็มรณภาพไปเลยฮะเพราะพระพเจ้าว่าไม่น่าจะถูกมานพทิศ ท, ทั้งหกทางที่ถูกควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เจ้าทรเนี่ไม่ถูกละเจ้าอยากจะฟังไหมมานพคนนั้นก็อยากจะฟังพระเจ้าค่าพระพองค์ก็บอกก็ว่าตั้งใจฟัง เราจะอธิบายให้ฟังยืนฟังพระองค์ก็ยืนตรัสให้ฟังว่าทิศทั้งหกตามปาดโบราณอาจารย์แนะนำสั่งสอนมานั้นไม่ใช่อย่างนี้ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรทิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรกับบิดามารดาของตนเองเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบดำงรงทากิจธุระของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้แหละคือทิศเบื้องหน้าเจ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกนะถ้าเจ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อบิดามารดาบิดามารดาโกรธให้เจ้าไม่พอใจกับเจ้าเดี๋ยวเขาไล่ออกจากบ้านจากเรือนจากกองมรดกเจ้าจะลําบากเพราะเหตุไรเพราะว่า เจ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังบุตรภรยาสามีบุตรภรรยาสามีนี่ยสามีควรเคารพภรรยายอย่างไรภรรยาควรเคารพสามีอย่างไรเมื่อเราเป็นสามีภรรยาแล้วก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองเ อ, อย่าก่ำกายอย่าไปออกนอกลู่นอกทางพ่อบ้านก็อย่ากออกนอกลู่นอกทางแม่บ้านก็อย่าออกนอกลู่นอกทางเมื่อเราเป็นลูก เราก็อยู่ในกรอบของพ่อแม่ที่แนะนำสั่งสอนอันนี้คือเบื้องหลังบุตรสามีภรรยาทิศเบื้องขวาอาจารย์อาจารย์ก็คือครูโรงเรียนแนะนำสั่งสอนหาวิชาอาชีพให้แก่พวกเราเตั้งแต่สอนขับร ถ, ข, บรถขับราอตั้งแต่สอนส่อมรถส่อม เ, ออเรือทามาค้าขายวิชาอาชีพคณิตวิทย์อังกฤษบัญชงบัญชีอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นออบอกว่าเมื่อ เห็นครูบาอาจารย์ลุกขึ้นยืนรับ เ, เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปวิทยาอันนี้ก็คืออาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิต ร, ร, รสายคนเราถ้าหาว่าไม่มีมิต ร, ร, รสายททำมาค้าขายด้วยกันแล้วสินค้าของเราจะส่งไปให้ใครอพอมีมิต ร, ร, ร, รสายขึ้นมาแล้วก็หักหลังเขาบังคดโกงเขาบังจนไม่มีมิต ร, ร, รสายหาเพื่อนที่ดีไม่ได้ อย่าหวังเลยกิจการของเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่ําคือคนรับใช้คือคนบ่าคือลูกน้องที่กินเงินเดือนของเราเราก็จะต้องดูแลเขาด้วยอาหารได้รางวันเงินเดือนของเขาให้เหมาะสมจากนั้นเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องดูแลเขาเมื่อเขามีงานเทศการก็ปล่อยเขาตามการตามสมัยอันนี้ก็คือให้ดูแลลูกน้อง ด้วยความเมตตาเหมือนกับลูกหลานของพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างนี้การงานก็จะลื่นไหลไปด้วยดีและทิศเบื้องบนส ม, มณพรามส ม, มณพรามก็คือครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยแหละพระสงฆ์เนี่ยแหละว่าส ม, มณะพรามส ม, มณพรามพวกเราก็ควรจะเคารพนอบน้อมเชื่อฟังทาคําของท่านเข้าไปกราบไปไหว้ท่าน เป็นบางครั้งบางการปางสมัยถวายเจตุปัจจัยไทยธรรม อ, อท่านบ้างเ อ, อเมื่อสมณพราหมณ์เห็นลูกศิษย์ลูกหามาแล้วก็เออแนะนําอย่างนั้นผิดนะั่นลูกหลานนะั่นอย่างนี้ถูกนะั่นลูกหลานนะอันนั้นสิ่งนั้นควรทํานะสิ่งนี้ไม่ควรทํานะเอ อ, อันนี้ควรคิดนรกสวรรค์มีจริงนะบาปบุญกุลโทษมีจริงให้ปฏิบัติต่อพ่อแมออ่อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้คือสมณพราหมณ์ จะต้องเป็นผู้แนะนําสั่งสอนคุณระบุคุณรธิดาให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรนี่แหละถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่อทิศทั้งหเนี่ยถูกต้องตามทํานองครองทำแล้วพวกท่านจะดํารงชีพด้วยความสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเอ เกิดมาแล้วอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่เดียวเนี่ยปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกให้ถูกต้องอหน้าที่การงานหรือการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองนะและก็พร้อมกันข อ, ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ขอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าออกนอกลูก่นอกทางนะลูกหลานพระลูกพระหลานทั้งหลายเพราะว่า ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระมีอายุพันษาพอได้ยินเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาแต่จะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุที่มีคนมาพูดให้หลวงพ่อฟังแต่หลวงพ่อก็มาได้รับข่าวต่างๆเป็นประจําอะไรหรอกแต่ว่าหลวงพ่อได้รับคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละวี่แต่ละวันก็จ ะ, จะว่ามากก็มากพอสมควรแต่พอเขาเข้ามา เ, าเขาก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังว่า พระองค์นั้นอยู่ที่นู่นที่นี่กินเหล้าเมายาขึ้นมาแล้วก็ตีกัน อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นาจากนั้นก็มีการคดป่นขโมยกัน อ, อย่างนี้ที่เราเป็นพระอยู่ในกลุ่มเดียวกันสีเดียวกันสากะยะบุตรพุทธชินนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอได้ยินขึ้นมาแล้วหลวงพ่อในฐานะพระสงฆ์เรียกว่าเป็นพระ วิชาอาชีพนะครับเหมือนกับนักมวยอาชีพยอย่างงั้นแหละหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเพราะเหตุไยเพราะว่าเออหมู่พวกเพื่อนลูกหลานเข้ามาแล้วก็น่าจะตั้งอกตั้งใจเพราะว่าโลกใบนี้มันกว้างเหลือเกินแต่ถ้าว่าพวกเราทําจั๋วไม่ได้จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้จะเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติศีลธรรมไม่ได้พวกเราก็น่าจะออกไปเป็นครวญญาติโยมซะเอออย่าให้มาม เป็นมนฑินในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักาทําวินยัยให้พระสงฆ์ทั้งหลายให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมศีลสองยยีข้อนั้นคืออะไรอย่างเนี้ยพวกเราก็น่าจะฟังน่าจะศึกษาเพราะว่ามันเป็นของพื้นฐานพระที่จะเป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีศีลศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนั้นก็พระปฏิโมกวันนี้เป็นวันอุโบสถก็เพิ่งฟังมาหยกๆยกด้วยกันทุกคนจากนั้นเราสงสัยเราก็ควรจะเปิดดูศึกษาในนวโกวาดวินัยมุกเล่มหนึ่งอย่างนีเ้เรียกว่าปฏิโมกแปลอย่างนี้เราก็พอจะเข้าใจได้หรือเราจะถ้าเขาบผู้ที่จะบวชเป็นนักบวชอาชีพจะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้า สมควรอย่างยิ่งที่จะค้นดูพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกห้าเล่มเลยเสื้สีฟ้านะให้เราศึกษาเลยวินัยมุกเล่มหนึ่งถึงห้าเล่มนะอยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทข้อที่หนึ่งปาลาชิกสี่นั่นคืออะไรบัญญัติเพื่ออะไรบัญญัติที่ไหนสังฆาทิเศตสิบสามพระพุทธเจ้าบัญญัติให้แก่ใครบัญญัติที่ไหนอนุบัญญัติ รองลงมานั้นคืออะไรที่เป็นขนละใจที่เป็นทกกฎร อ, องรับลงมานั้นมีกี่อย่างพวกเราก็จะได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษ า, าในหลักพระธรรมวินยัยแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจในหลักพระธรรมวินยัยพอเข้ามาแล้วก็ทำตนไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นสกยบุตรบุตรแหวกแนวนะบุตรแหวกแนวบุตรไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัย ถ้าเป็นลูกชายของตระกูลไหนก็าตามลูกจะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ทําลายตระกูลบางันารแต่ไม่ใช่ส่งเสริมตระกูลต่าตระกูลขึ้นมาแล้วก็น่าจะทํามาค้าขายเพราะเราเกิดขึ้นมาแล้ว เ, เราอยู่ในตระกูลไหนเราก็พยายามส่งเสริมตระกูลของเราให้มีชื่อไม่มีเสียงในชุมชนและสังคมให้เป็นที่ยอมรับพ่อแม่ก็จะได้ดีอกดีใจกับลูกชายของตนเองอันนั้นคือบทที่ดีของพ่อแม่ อนุชาตบุตรอภิชาติบุตรอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นสากยบุตรพุทธชินนรสเราบวชมาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านยอมเสียสละรับว่าทุกคนที่เขามาบวชถ้าว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วพวกเราจะต้องเป็นสากยบุตรพระพุทธเจ้าท่านยอมรับขนาดนั้นทั้งที่พวกเราเป็นลูกตาสีตาสาตามีตมาลูกชาวไลชาวนาแต่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าให้เป็นสากยบุตร คือบุตรของพระพุทธเจ้าสากยะบงเพราะฉนั้นพวกเราเที่พระพุทธเจ้าท่านยอมให้พวกเราเป็นสากยะถึงขนาดนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราอย่าทําตัวให้เกเล น, นะก็รู้อย่แล้วว่าสิ่งไหนที่มันถูกพวกเราใหญ่ถึงขนาดนี้เรียนรู้ถึงขนาดนี้จะไม่รู้บ้างเหรอสิ่งที่ผิดหรือถูกสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําสิ่งควรพูดและสิ่งที่ไม่ควรพูดสิ่งควรคิดและสิ่งที่ไม่ควรคิด ขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่งทั้งหลายให้ตัง้งอกตั้งใจนะให้เป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมอันนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระทิดมีอายุพรรษาหลวงพ่อเป็นห่วงน้องหนุง่งลูกหลานเหมือนกันเพราะเป็นทายาทเดียวกันถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อนี่ในฐานะพี่ว่างั้นเถอะพี่ของพวกท่านทั้งหลายเพราะสากยบุตรเพราะพระเจ้าคือพ่อพระโมกขลาสาริบุตรเนี่ย เป็นลูกทั้งหมดท่าอนน์กับสปะจนถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวล้วนแล้วจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกพุ่รุ่นพี่เป็นลุ่นลุ่นลุ่นุ่นมาหลวงพี่ี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งพวกท่านทั้งหลายก็เป็นนุ่นน้องลงไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าออย่าไปทําออกนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าพวกเรา อยู่ด้วยกันอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปมัวเมาเอออย่าไปลืมตัวคณะสัตธายาิโยมเขาถวายเจตุปัจจัยทายธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเดี๋ยวนี้ไม่อดไม่อยากอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มเออหรือว่ายาแก้โรคภัยไข้เจ็บมีอะไรที่จะต้องดูแลจะต้องปฏิบัติต่อการ น, นั้นพวกเรารู้สึกว่าไม่ขัดข้องในปัจจัยสี่ แต่บางครั้งบางคราวพวกเราอาจจะลืมตัวไปลืมตัวไปลืมตัวตัวนี้ค่อยๆเขาว่าอัตตาถือตนเป็นใหญ่พอเขาได้ยกมือไหว้ตอนนั้นแหละถือว่าตัวเองเป็นพระแล้วก็พองตัวว่าข้าเนี่เป็นใครตามให้จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พองตัวนะท่านให้สานึกสาเหนียกไว้อยู่เสมอชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ได้พระราชทานเพลิงมาไม่รู้กี่องค์สมเด็จไม่รู้กี่องค์จากนั้นเจ้าคณะใหญ่เจาาา้จาคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอจจเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระทุกองค์ตายกันมาเป็นทอดๆ อ, อันไหน เ, เราควรจะลืมตัวอันไหนเราคิดว่าเราเป็นใหญ่ อันไหนเราพยองพองตัวมันไม่น่าจะพยองพองตัวไม่ว่าแต่พระฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกันนายกไม่รู้ว่ากี่ท่านอดีตนายกท่านผู้ว่าท่านนายอาเภอเอชาวไร่ชาวนาทุกคนเกิดมาแล้วตายด้วยกันทั้งหมดถ้าให้พวกเราระ ล, ลึกถึงความตายมรณงเมพาวิจติตัวนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเราจะไม่ลุ่มหลงจะไม่ลืมตัว จะไม่ถืออัตราตัวตนมากเกินไปแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นึกนึกถึงความตายแล้วอัตรา ต, ตัวตนตัวนี้มันจะสูงมากนะเพราะนั้นพวกเราให้คิดไว้สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เคยนะพยายามถึงจะมีหลวงพ่ อ, อก็พยายามบังคับว่าเอ้ยหลวงตาอินเอเีกไม่นานนะอีกสักหน่อยละไม่รู้ว่าวันไหนละเดี๋ยวนี้หกสิบห้าปีแล้วนะ ไม่รู้ว่าวันไหนแล้วเขาจะต้องเผาท่านนะอต่ท่านอย่าลืมตัวนะหลวงพ่อสอนองค์หลวงพ่ออยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในสถานะนี้หลวงพ่อมีแต่คิดช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งไหนพอที่จะช่วยเหลือได้หลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยดีที่สุดเในความรู้สึกแล้วก็ให้เขารบหลักพระธรรมวินยัยเพราะพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเที่ท่านบัญญัติไปนั้นพวกเราในฐานะเข้ามาศึกษาและเข้ามาประพฤติธปฏิบัติพวกเราต้องยอมรับและน้อมรับหลักพระธรรมวินัยนั้นเราจะเป็นผู้หวังดีเราจะเป็นผู้เจตนาดีเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อเอเราจะไม่ทรยศต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราทำไม่ดีนะถ้าเราทำไม่ดีถึงเราจะว่าไม่ทรยศมันก็ไกลๆเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเหมือนกับเราไม่เจตนาเราเหวี่ยงมีดไปเหวี่ยงค้อนไปเหวี่ยงก้อนหินไปแต่ไปถูกหัวเขาเข้าละเขาเจ็บไหมทั้งที่เราไม่เจตนา เ, เจ็บเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราจะทำเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ถ้าเราทาไม่ถูกต้องแล้วเสียหายเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พระน้องพระนุ่งทั้งหลายใ ห, ให้ตั้งอกตั้งใจเนอให้กวดตราตรวจขันให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยพร้อมกันก็ให้ภาวนานะตั้งอกตั้งใจภาวนารักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็ให้ภาวนาภาวนาในเอาจุดไหนเป็นหลักฮะหลวงพ่อจะถามขึ้นมาในใจอีกนะเอาจุดไหนเป็นหลักหลวงพ่อบอกได้เลยว่าอันดับแรกพระพุทธเจ้าว่าสติสัมปชัญญะ ธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละคือจุดแรกทีออนี้เราจะยึดตัวไหนคือว่าสติสัมปชัญญะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของเราท่านบอกว่าเวลานั่งภาวนาตั้งขัดสมาธิขาขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่พวกเราจะนอนวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะบําเพ็ญ จิตภาวนากี่ชั่วโมงในวันหนึ่งให้แบ่งเวลาตัวเองให้ได้และใครมีความสัตย์จริงในตัวเองพอสมควรนะคือถ้าไม่จําเป็นกิงก็จะให้มันขาดหลุดลุยจนเกินไปและก็ให้พวกเราใส่ใจว่าเราเข้ามาบวชในครั้งนี้เราบวชเพื่ออะไรเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่าเราไม่ได้เราเรียนศึกษาปริยัตมากแต่เราศึกษาสนใจเรื่องพระปฏิบัติแต่ปฏิบัติจริงไหม สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนทุกๆองค์นะ เ, เมื่อไหว้พระรมวัด ต, ต้องมีทุกวัน อ, อย่าได้ขาดถึงจะไม่ได้ทาวัด ร, รวมแต่ทาวัดส่วนตัวก้วนจะมีอารหังสัมมาสวาคตโตสุปฏิปนโณจากนั้นแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาก็คือตั้งใจให้แน่วนิ่งหลับตานิ่งออกมาจากใจจริงข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือให้ออกมาจากใจจริงๆนะจากนี้เพียงแค่นี้ก็พอแล้แผ่เมตตาเอให้ใครวะทําใจให้ทุกคนให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็นั่งขัดสมาธินล้ี่ถ้าอยู่ทางต่อหน้าพระประธาน เราก็หันหน้าไปทางทระประธานแต่ว่าการนั่งภาวนาเนี่ยผมเองอยากจะแนะนําเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วถ้าเรานั่งหยุดแต่ที่นอนที่เดียวนะนั่งตดที่นอนที่เดียววันไหนก็นั่งหยุดแต่ที่นอนอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์เก่านะถืออยู่ในห้องอันเดอร์นะอยู่ในห้องอันเดียวกันแต่วันหนึ่งเราหันหน้าไปทางทิศเหนือวันหนึ่งเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวันหนึ่งเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่วันหนึ่งเราออกมานั่งชานกุติอย่างนี้ อารมณ์มันจะต่างกันนะอารมณ์จะต่างกันเพราะนั้นผมอยากจะให้ผมอยากจะแนะนำให้หมู่พวกเพื่อนลูกหลานเวลานั่งสมาธิจะไปนั่งที่เก่าควรจะขยับขยื่นนั่งที่อื่นบ้างพอนั่งขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ปนมือนะปนมมือใครไหว้ครูซะก่อนปนมมือขึ้นมาแล้วก็พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบ เมื่อไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยเอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ใจของเราอ่อนโยนไม่มีการผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในใจโลกธาตุผูกอาฆาตไปก็เท่านั้นมันได้อะไรมันมีแต่เสียเท่านั้นเองการผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรมีแต่ทําให้จิตใจของเราขุ่นมัวจิตใจของเราเดือดร้อนจิตใจของเราหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นเราก็นั่งเสร็จแล้วก็ วิกรรมเนี่หลักสตินะ่านนี่เอาสติเข้ามาจับเลยจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพดหายใจออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงท้องไม่ต้องตามลมออกมาเพียงเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกแต่บางคนลูกหลานบอกว่าผมจับไม่ได้ครับหลวงพ่อทั้งที่ผมเกิดมากับลมอยู่ในจมูกของผมแต่ผมจับไม่ได้นะแสดงว่าสติของเราอ่อน อสติของเราอ่อนเราจะทํายังไงจึงจะให้มันแก่ขึ้นเราก็เอานั่งตรงๆขึ้นมาหายใจแรงๆเข้ามาที่สืบลมหายใจเข้าออกสืบลมเข้าไปอหายใจเข้าแรงๆแล้วก็แทกออกมาแรงๆหายใจเข้าแรงๆกะแทกออกแรงๆในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นเอาสติของเรากําหนดดูที่ว่าลมกระทบตรงไหนที่มันเข้าไปและลมมันออกตรงไหนที่มันกระทบออกมา ทีนี้พอทําหลายๆครั้งจากนั้นเราก็ค่อยผ่อนผ่อนผ่อนผ่อ น, ผ, อนผ่อนลงจนเป็นปกติในเมื่อเป็นปกติเราจะรู้ได้ว่าเออลมมันกระทบที่นี่เองเออจากนั้นก็เอาจิตจับอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไปถึงท้องและก็ไม่ต้องตามลมออกไปบริกรรมหายใจเข้าลมกระทบปลายจมูกพุทหายใจออกบริกรรมโธฮะพุทโธพุทโธ น เ, เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างั้นแะคนเข้าไปคนผ่านเข้าไปเราก็รู้คนเข้าไปไม่ต้องตามเข้าไปว่าเขาทำอะไรไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องตามแต่เวลาคนผ่านออกมาเราก็รู้ว่าคนผ่านออกมานี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นแต่ทางบางท่านบางคนบอกโอ้หลวงพอ่อมันยังหลุดออกไปอยู่นะมันยังหลุดออกไปเป็นบางครั้งคราวอยู่อ้าวเอาไมเวลาจะนี่เวลาหายใจเข้า ให้เรานับหนึ่งอ่าเวลาหายใจออกให้เรานับสองเวลาหายใจเข้านับสมหายใจออกนับสี่แต่อย่าไปแต่งลมนะอย่าไปกลึงอย่าไปเกรงมันว่าไงแน่หายใจมิแต่นับท่านเองหายใจเข้าไปก็นับหนึ่งหายใจออกนับสองจนถึงรอ้อนะนับจนถึงร้อยไม่เผลอก็แสดงว่าสติของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ประมาณหนึ่งหนึง่งนาทีเสร็จแล้วแต่ถ้าว่ามันเผลอนะ่ย มันเผอเนี่ยมันเผอมันเผลอยังไงมันจะเผลอเวลาหายใจเข้าเนี่ยเรานับหนึ่งใช่ไหมเวลาหายใจออกเรานับสองคือเลขสองเป็นเลขคู่เวลาหายใจเข้าเน่ยเป็นเลขคี่เฮ้มันเป็นเลขคี่เลขคู่เลขคี่เลขคู่จนถึงร้อบางทีเราหายใจเข้าอตามให้จริงมัน5้าสบเ็ดใช่ไหมหายใจเข้าห้าสบสแต่พอมันจะเผอมัเบอรเบอรเบอร์เสร็จแล้ว หายใจเข้าห้าสิบสี่หายใจออก 55, ห้าสิบห้าฮมันเผลอไปแล้วทีนี้ไอ้ใครข้าว่าสติของเราขาดแล้วช่วงนะั้นเอาตั้งใหม่เออตั้งใหม่อีกเอานับใหม่อีกถ้านับสี่ห้าหกครั้งถึงสิบครั้งไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเริ่มดีแล้วนะทีนี้นะนี่แหละวิธีการฝึกสติสติสัมปชัญญะนี่ต้องทำอย่างนี้เวลาก้าวเดินจงกลมก็เหมือนกันเเวลาเดินจงกลมทายังไงหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เคยแนะนําำว่าการเดินโยกบางคนก่อนอยากจะเดินอยู่แต่เก้ะเก๊ะังกัจะเดินผิดแล้วเดินถูกเดี๋ยวขอจุกหัวเราะเราก็ได้พอนั้นเราไม่รู้จักวิธีการเดินอันนี้หลวงพ่อได้เรียนมาแล้วเรียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่เป็นสมณีนท่านแนะนําหลวงครูบาอาจารย์ท่านแนะ น, าานํานนนสั่งสอนอย่างถี่ถ้ถวนท่านบอกว่าเวลาเดินจยกบมนะ อันนี้นะทางเดินจงกลมขอมันยาวขนาดนี้แหละประมาณสิบถึงยี่สิห้าเมตรถึงสามสิบเมตรเป็นอย่างยาวอแตไ่ไม่น่าจะต่ํากว่าสิบห้าเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบห้าเก้าะพอดีพอดีอดอ น, นี่นะพอไปยืนอยู่สุดทางจงกลมแล้วปนมมือฮะเวลาะจะเดินจงกลมนะปะนมมือสุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่งทางที่มันเรียบพอสมควรจากนั้นก็ปน ม, มือพอปน ม, มือก็ไหวครูเจก่อนอย่างที่ว่าน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 เราบินถ้าบาดอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นอนี่แหละพอเดินเปนจนเอาขนาดได้หลวงพอ่อเอาเหนื่อยว่าเหมือนกันเถอะบางทีก็เป็นชั่วโมงสองสองสามชั่วโมงบางทีก็ถูกกับจริตนะบางทเาีเดินภาวนาบางทีก็ถูกกับจริตเนี่ยเพราะมันไม่ง่วงภาวนาเท่าไหร่เออยิ่งมันไปเรื่อยๆที่สิวจิตใจนิ่งสบายอยู่กับพุทโธได้นิ่งจริงๆอันนี้ก็แปลว่ามันถูกกับจริตนะแต่ถ้าว่าเมื่อ เราเดินไปแล้วทีนี่เราเหนื่อยแล้วเราจะหยุดเราจะหยุดทํำยังไงแล้วก็ไปหยุดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะวิธีการเดินยังกรมนั้นมือจะไว้ที่ไหนหลวงพ่ออมือนะถ้าว่าเอาไว้ในระหว่างท้องน้อยอย่างนี้มือขวาให้ประสานกันในท้องอย่าเอามือควายหลังท่านว่านะถ้าเอามือควายหลังนันเหมือนท่านักเลงไม่เดินอย่างนั้นเหมือนท่านักเลงถ้าไกวแขวนเนี่ยใครเข้า่าไม่สุภาพไม่เคารพเอามือกอดอกเนี่ย ลักษณะคนเจ้าทุกเท่ากันนะเพราะนั้นอย่าทำท่าลำพึงนะคือท่าของพระพุทธเจ้าที่พระหานสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำคือท่าลำพึงคือเอามือวางไว้ในระหว่างท้องท้องน้อยเนเอยจากนั้นก็ก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถแต่มันยังหลงไปอยู่ยังเผลออยู่ในหลวงพอ่อให้นับอย่างทีวานขาขวาหนึ่งขาซ้ายสอง ขาขวาสามขาซ้ายสี่นับไปถึงร้อยแล้วก็กลับมาอีกสักห้าเที่ยวสิบเที่ยวมันไม่เผลอแล้วก็ใช้ได้เลยทีนีบริกรรมพดโทรไปเรื่อยถ้าว่าถามว่าจิตสงบได้ไหมหลวงพอ่อเวลานั่งเดินอย่างกลมจิตสงบได้ไหมได้บอกอย่างนั้นได้เลยเวลาจิตจะสงบนี่มันจิตไม่สงออกไปข้างนอกขามันจะชิดเข้ามาทันทีเลยเลยมันจะไม่เดินเลย จิตใจมันจะนั่งหยุดยืนเลยยืนอยู่กับที่เลยมีแต่สติกับจิตแนวอยู่ในในความรู้สึกนั้นๆในขณะนั้นอันนี้แปลว่าจิตสงบในขณะที่เดินอันนี้พวกเราไม่ต้องคาดแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าในขณะที่เดินนะจิตสงบได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าได้เลยเออพอาะหลวงพ่อเคยเคยทำมาแล้วเคยผ่านมาแล้วในจุดนี้นั่งภาวนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละวิธีการ เดิยกรมิธีการนั่งภาวนาจากนั้นท่าว่าพู้ที่เคยภาวนาอันนี้คือหลวงพ่อแนะนําขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้นสําหรับพระที่เข้ามาบวชหรือคณะศรัทธายาตโยมที่ไปปฏิบัติในวัดวาศาสนาไปรักษาศีลและจะเดินจะกรมยังไงอย่าภาวนายังไงเอาปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดแตไ่ไม่ต้องนั่งลมกลุ่มนะไปที่ไหนก็ได้นั่งพิงต้นเสาพิงต้นไม้หรือว่าหาที่สงบสงัด จุดยากันยุงเส็จแล้วกนั่งอยู่ตามลำพังแล้วอยู่ในมุ้งอย่างเนี้ยได้ทั้งนั้นอันนี้คือพยายามทําจิตใจให้สงบอันนี้คือวิธีการภาวนาแล้วภาวนาได้อะไรเนี่ยพวกเราก็ถามอีกนะได้ได้อะไรคือได้ความสงบคนเรานี่นะถ้าหากว่าถ้าเราจิตใจของเราปุ่งฟุง้งซ่านเอปุ่งฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงเหมือนกับคนบ้าทำมันฟุ้งซ่านมากๆ ใจิตใจเวลาเราได้รับทุกมาเราไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งใจิตใจของเราจะเป็นทุกเมื่อเท่าแก่ชรามาใจของเราจะว้าเวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยภาวนาใจิตใจของเราไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราฝึกไว้เนี่ยก็คือฝึกเพื่อเข้มแข็งเพราะว่าใจดวงเนี้ย อ, อนามธรรมดวงเนี้ยพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากท่านบอกว่าร่างกายเนี่ย อีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายแน่นะแต่ดวงวิญญาณคือใจดวงนี้ไม่ตายออกจากร่างนี่เราจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นหลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักเรื่องของใจมโนปุพัง ข, ขางมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องของพระอย่างเดียวนะเป็นหน้าที่ของจัาาตตาราโยม ท, ทุกทุกท่านด้วยผู้ใดหวังต้องการหวังความสงรงบระพริบเย็นเป็นสุขแล้วควรจะภาวนาเรื่องภาวนาพราะพุทธเจ้าท่านให้แก่ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทางว่าผู้หญิงปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลได้อย่างคุณแม่ชี้แก้วอย่างนี้กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราได้กราบได้ไหวอธิษฐานของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นล้วนแล้วแต่ได้สําเร็จมักสําเร็จผลทางว่าผู้ใดเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงอมักผลนิพพานยังคงเส้นคงวาทางว่าพวกเรายังมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติทำอยู่พระอรหันจะไม่ว่างเว้นเอในโลกแต่ถ้าพวกเราหยุดในการภาวนาไม่สนใจในการภาวนากายุดยุคนั้นแหละหมดพระอรหันหมดหมดจากโลก เหมือนกับเศรษฐีนี่นะคนในกลุ่มใดขี้เกียจทำงานไม่แต่กินแล้วนอนเศรษฐีจะไม่เกิดในยุคในคนในกลุ่มนั้นแต่คนกลุ่มไหนเป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงชีพมันขยันอดทนเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์เศรษฐีจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มขยันนั้นๆ เ, เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสัตาายาธิษฐโยมทุกคนอันนี้เรื่องจิตตภาวนาท้าวาสนใจมากกว่านั้น ก็มีช่องทางอันนี้คือพูดเรื่องสมถะคือทําจิตให้สงบซะก่อนแต่ถ้าจะพูดเรื่องถึงวิปัสนานก็คือครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก็คือเรื่องภาวนาก็คือวิปัสนา น, น, นทนี่วิปัชนานหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยนะคือให้พิจารณาเมื่อจิตใจของเราสงบพอสมควรเป็นพื้นฐานค่านิยมอุปจาระสมาธิจากนั้นของเรานํามาพิจารณาพิจารณาอะไร พิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราก็คือเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันแต่โจนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกร่างกายของเรานี่ยโครงสร้างของร่างกายคือกระดูกใช่ไหมใช่ไหมยอยู่ข้างในปฏิเสธได้ไหมไม่ได้พอไปเผาไฟทีไรก็เห็นกระดูกแล้อไปถ่าย X ray, เอ็กซเรย์ฟิล์มเอ็กซเรย์ขึ้นมาก็เห็นโ ค, โครงกระดูกของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของใครนะนี่แหละร่างกายของเรามีโครงกระดูกอยู่ข้างใน และอีกสักวันหนึ่งใจอย่างที่ว่าหลุงพ่อว่านะใจใจคือผู้รู้เนี่ยนะคือนามธรรมาตัวนี้นะให้พิจารณากายนะอย่าหลงกายนะ่ถ้าว่าหลงกายพวกเราหลงกายเมื่อไหร่นี่ที่พวกเราหลงหลงคือหลงอะไรหลงร่างกายร่างกายเนี่ยถึงยังไงยังไงก็มีจุดจบนะอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเผาไปทิ้งนะขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว เงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นของเราได้อย่างไรอนี่นะเรือ่องสวนไล่นาสามีภรรยาลูกหลานจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายของเราเกิดมาออกมาจากท้องแม่แทๆ้ๆอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาไฟนะร่างกายที่จริงไหมนี่อันนี้คือถามใจตัวเองใจของเราก็ต้องยอมรับว่าใช่ไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าได้ตายทุกคนในเมื่อตายอย่างนั้นเราจะไปหลงอะไรมากมายนักหนา เราจะไปโกรธอะไรมากมายนักหนาเราจะไปรับอะไรมากมายนักหนาให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักสิ่งควรทํำและสิ่งไม่ควรทําจากนั้นมันก็ปล่อยวางที่ใจทนี่นะนี่แหละวิปัสนาเข้ามาแหละคือความนึกคิดเอาเหตุผลเข้ามานึกคิดให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละวิปัสนาแต่ว่าเราทําไม่ใช่ว่าครั้งสองครั้งนะพิจนารณา จนล่อนจนแหลกไม่รู้ว่ากี่เที่ยวกี่ครั้งกี่หนนั่นะนี่แหละวิธีการปฏิบัติสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายและกส็สำหรับศรัทธาญาติโยมเนอะในพรรษานีพ้พวกเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นหลักยึดนะในพรรษานี้ข้าพาเจ้าจะเอาอะไรข้าพเจ้าจะไส่บาตรทุกวันข้าพเจ้าจะไหว้พระม่ให้ขาดทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นข้าพาเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวัน วันละหนาที10บนาทีข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะงดเหล้าข้าพเจ้าจะไปกราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์ไม่ให้ขาดอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นขอให้พวกลูกหลานาาญญจะทายาติโยมเนอให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะเอามาสู่จิตใจเอามาเป็นภาคปฏิบัติสําหรับตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราอย่าทํา ข้าพเจ้าเป็นคนที่โกรธแต่แตอนี้ต่อไปในพรรษานี่ข้าพเจ้าจะไม่โกรธให้แก่ใครเ่ข้าพเจ้าจะเป็นคนใจดีถึงจะโกรธก็พยายามจะหักห้ามไม่ให้โกรธเนยอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าริคิดริทำริพูดเราจะไม่คิดเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะคิดจะพูดจะทาแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้ในใจให้ในใจของเราให้คิดอย่างนั้นนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีนะที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเสียหายหรือวาทำให้ตัวเองหมดวาดสนาบุญบารมีที่มาเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วน่าจะพยายามทำตัวให้ดีที่สุด เ อ, อให้มีความมุ่งมั่นดีที่สุดชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกเออในพระในครั้งพุทธการเน่ะเออพระพุทธเจ้าเทศแล้วจะอีกโปรดแล้วโปรดอีกพระสงค์ในครั้งนั้นเออพระครั้งนั้นก็ใช่ ย, ย่อยเหมือนกันนะคือพระในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ อ, อทะเลาะกันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่พระทะเลาะกันไม่มีนะเออพระในคณะวัดป่าเชตวันนะ ที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตั้งหลายร้อยองค์ว่ากันสี่ห้าร้อยองค์ไม่เคยขาดว่างั้นอะแต่ทีนี้ท่านก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขี่โมโหว่าจะไปดุเออดุมากเออคล้ายๆว่าพอชกพอโตพอเตะพอต่อยจนพระทั้งหลายจนเรื่องลือกันว่างั้นเถอะเนี่ยทีนี้เขาก็เห็นพระองค์นั้นดุใช่ไหมแล้วก็เลยมีพระบ้านนอกทเข้ามา ป้าบ้านนอกเขาก็บอโอ้เเวนี่กระดุเหมือนกันนะเออต่อยเตติใครเอยไม่เลือกหน้าเหมือนกันเขาก็เลยพระทั้งหลายเออพระสององค์น่ะพระวัดป่าเชตวันองค์นี้ก็มันกระดุบ้านนอกกระดุเอาเถอะพวกเราเอาพระสององค์ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กุติเดียวกันเพวกเราจะได้ดูมวยพระเหมือนกันเอถอดทีนี่พระสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเพื่อจะได้ดูมวยพระเหมือนกันเถอะ แล้วมันตดูใส่กันมันก็มันจะมีอะไรมันก็ต้องห้ำหันกันอะไรที่าบบนั้นก็เลยเอาพระสององค์ไปอยู่ด้วยกันพอไปอยู่ด้วยกันโอ้ยถูกกันเหมือนกับปีกับขวยนั่นแหละพอตัวหนึ่งขึ้นมาตัวหนึ่งก็เข้ากันเออไปด้วยกันพระสององค์ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็เห็นอย่างนั้นก็เลยมากราบฟูนพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระสององค์เนี่ยทีแรกมันทะเลาะกันแต่บัดนี้พอเข้ามาอยู่ใกล้กันมันถูกกันพระเจ้าค่ะถูกกันพระสององค์ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนมันเข้ากันได้คือความขนองความโมโหเอีเรื่องความอะไรเนี่ยมันเสมอกันมันก็เข้ากันได้เออไม่ใช่เข้ากันในชาตินี้เท่านั้นนะพระสององค์เนี่ยชาติที่แล้วมันก็เคยมันก็เคยเป็นมาแล้วพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าครั้งไหนพระเจ้าข่านพระพุทธองค์บอกว่าสมัยก่อนนะมีพ่อค้าม้าเหมือนั้น เอานาม้ามาขายในกรุงพระลานศรีพระเจ้าพระลานศรีนี่ยก็ให้คนหลวงเหมือนกนเถอะให้อำมาตเนี่ยผู้หนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้เลือกมา้าให้เป็นผู้ซื้อมา้าคือม้าเนี่ยเป็นสินค้าของพระราชาเนี่ยที่พระราชาจะออกรบตบสึกขึ้นไปก็ต้องมีม้าดีใช่ไหมเอาม้าตัวไหนตัวไหนหนึ่งจะเข้ามาเนอ่าอำมาตคนนี้ก็จะเป็นคนเลือกซื้อม้าให้เข้ามาม้าหลวง แต่นี้พระราชาเป็นคนขี้โลภแท้เนี่ยพระราชาบอกเอ้ยอํามาดเราซื้อม้าน่ยสิ้นเปลืองเงินหลวงมากเกินไปเวลาเขาเอาม้ามาเนี่ยควรจะเลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งม้าดุควรจะมีไว้ให้เป็นม้าหลวงแต่พอเขาเอาม้ามาปล่อยม้าตัวนี้ไปเลยอปล่อยม้าไปมันจะไปกัดม้าตัวอื่นเขาพอกัดม้าตัวอื่นเขาม้าตัวอื่นเป็นแผลท้นียอยเราก็ซื้อได้ราคาถูกท่านเองนะ่ะ แอมซื้อใน ร, ราคาถูกนะอันนี้คือพระราชาขี้โลภวันขันธ์ท่านแนะนําให้อํามัดคนนั้นทําแต่นี้อํามัดคนที่ทำแล้วกันท่านไม่ทําเพราะมันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาพระเจ้าพเดีินก็เลยปลอดแอบปลอดอํามัดคนนั้นออกพอปลอดอํามัดคนนั้นก็ได้ทั้งอมัดคนหนึ่งขึ้นไปแทนแทนอําอมัดคนนี้นก็ปฏิบัติการอย่างที่พระราชาแนะนําก็เลี้ยงม้าตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นม้าหลวงวันขันธ่แหม่พอ พวกชาวพ่อค้าม้ากันเอาม้ามาขายกับปล่อยม้าไปบ้านก็ไปกัดม้าเขาทีนี่พอกัดม้าเขาเขาก็าโอ้เสียอกเสียใจอย่างมากเพราะที่เขาก็อยากจะได้เงินใช่ไหมล่ะการทํามาค้าขายก็อยากจะได้เงินแต่ทีนี้มาขาดทุนป่นปี่เพราะม้ากัดม้าที น, นี่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงจะฆ่าจะตีหรือก็เป็นม้าพราชาเป็นม้าหลวงของเมืองพราณีสีพอในสูงเลยก็อ้ําก็อึกเต็มทนว่างั้นเถอะก็เลยไปปรึกษา อำมาตย์ผู้ที่ที่ที่เป็นที่เป็นธรรมเหมืนกันเอ้ท่านจะทําให้พวกผมทําไงอำมาตย์คนนั้นก็เลยบอกแนะนําเลยว่าเอ้พวกท่านไปเห็นม้าโตัวดุ ด, ดุบัน้นในชนบทคงจะมีมั่งนั่นละ่ะนําม้าตัวดุดนะ่ะเอามาเลยเออเอามาเพื่อจะให้กัดม้าหลวงเนี่ยว่างอนนพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามเหมือนกันเถอะพอมาคราวหน้าเขาขอเอาม้าตัวดุดดแล้วเหมือนกันเถอะ เออเอามาเสร็จแล้วก็เห็นม้าหลวงมาตัวนี้ก็ปล่อยม้าตัวนี้ออกไปอ๋อพอออกไปหากันที่มันจะเตะจะทีที่มันจะกัดกัน่ะตามกันหลังอดหลอดอดหลอดอะไรแบบนั้นเถอะผลในสุดม้าทั้งสอตัวม้าตัวนั้นก็ไม่กัดม้าพวกนี้พวกนี้ก็ไม่กัดม้าพวกนั้นเหมือนกันเถอะเออไปอยู่ด้วยกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนมันเหมือนกันเออมันเหมือนกันมันเข้ากันเพราะมันมันเร็วก็เร็วเหมือนกัน เออมันขนองขนองเหมือนกันมันชั่วชั่วเหมือนกันคนชั่วเข้าคนชั่วได้คนดีเข้าคนดีได้ เ, เพราะฉะนั้นพวกเรานะเอที่พูดเป็นชาดกให้ฟังนะี่ก็อยากจะให้พวกเราครบหมู่เพื่อนที่ดีมีคุณภา พ, ม, ภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอยารร่าทำถ้าทําไปแล้วก็อย่างที่ว่านะเอ่อไปเลี้ยงม้าและกัดม้าคนอื่นเขามันจะดีได้ที่ไหนมีแต่เสียหายเพราะฉะนั้น พวกลูกหลานพระเนนทุกองค์น่าตลอดจัตไ า, าญาติโยอมทุกท่นานหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพวกเราเป็นศา ก, กยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าควรจะทําตนอย่างไรควรจะประพฤติตนอย่างไรให้มีศีลธรรมอย่างไรและจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนําวิธีการภาวน า, เ, าเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งภาวนาอย่างไรเวลาแผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่างไร หลวงพ่อก็ได้แนะนําแก่พาลูกพานหลานพาน้องพานุ่งทั้งหลายตลอดถึงศรัทธาญาติโยมในพรรษานี้เราควรจะตั้งตนอย่างไรจึงจะถูกต้องควรจะงดอะไรควรจะมีศีลธรรมอย่างไรในพรรษาหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราพุทธบริษัทให้มีศีลนั่นแหละนะมีศีลห้าประการข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกรรมพระพเจ้าจะไม่ mũ xả cô h